นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเผียวธรรมะคอมมมาพระภัยบูร์อภิปุญโญปกติก็จะมาเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการร่วมกับคุณหมอรัตพงศ์ครับกราบนักการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันทแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับใช่แล้วเรามาทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอรัตพงศ์ตอนที่สี่สิบครับท่านสี่สิบแล้วเก็บอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับอืมอมืใช่ใช่ใช่ แล้วก็ก็มีจากเนื้อหาตอนที่38และ39ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังได้ส่งคอมเมนต์มาบ้างนะครับครับมีคอมเมนต์จากคุณมณีเนธนะครับที่เรื่องของอ่าถามเราเรื่องเกี่ยวกับความว่างนะครับความว่างที่บอกว่าเออเหมือนจิตของคนเราเนี่ยมีมีความว่างความว่างแล้วก็แต่เราเหมือนไม่เห็นเพราะว่ามัน มีอะไรมาขวางกั้นอยู่อันนี้ต้องท้าความให้ท่านผู้ฟั ง, ฟงทั้งหลายให้ทราบนิดหนึ่งว่าคือคุณมานีเน่เนี่ยเขาจะมีความเห็นว่าไอ้บีมูดเนี่ยมันคือช่องว่างในที่แคบอย่างสมมุติเรามีเส้นตรงอยู่ใช่ไหมครับจริงๆมันคือจุดที่มันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาช่องว่างระหว่างจุดตรงนี้ซึ่งก็จะพยายามทําความเข้าใจจากประเด็นตรงนี้ว่าที่คุณมานีเน่พูดถึงเนี่ยจริงๆช่องว่างก็มีอยู่แต่ว่ามีคนไปบดบังช่องว่างนั้นไม่ให้เราเห็นได้ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความสอดคล้องมากกว่าเข้ากับพุทธวจนะเพราะว่าอะไรผู้รชาบอกว่าเราเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นัครบมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้เราจึงเข้าสู่บิมุตนไม่ได้บิมุนนี่คือความว่างความเบาความสบายใช่ไหมเราเข้าไม่ได้เพราะอะไรมันถูกผูกดึงหลังอยู่เราจะเดินหน้าไปไม่ได้ครับ นะถูกผูกให้อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจหลุดออกไปจากนี้ไม่ได้แค่นั้นยังไม่พอแล้วไอ้ที่นอกเหนือจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าถูกอภิชาบังอยู่ครับโอ้โหสองเด้งเลยนะครับทั้งถูกผูกก็ผูกแน่นนะแล้วก็หมายถึงผูกไว้หลวมๆแต่ผูกแน่นนะความแน่นของเงื่อนเนี่ยมันมาก ว่ามันผูกไว้หลวมๆรัดคอเราหลวมๆไหมคือไม่ถึงกระตายแต่ว่าหลุดยากให้พอหายใจได้ในอวยตน้าอกเท่านั้นแหละครับแล้วก็พุะเจ้าเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าตันหาเนี่ยเหมือนกับลูกศรครับแล้วพิษของมันเนี่ยคืออวิชานะถึงแม้จะถอนหัวลูกศร อ, ออกเนี่ยพิษก็ยังคงอยู่อตัวอวิชา ย, ยังค้างคายอยู่นะครับมันก็จะรักษายากอเพราะฉะนั้น มันจะคู่กับสิ่งที่เรียกว่าสมณฐากับวิ ป, ปัสนาพอดีสมถฐานเนี่ยพระพุทธาบอกว่าเมื่อเจริญแล้วเนี่ยจะทําให้ อ, อจิตจะเจริญจิตเมื่อเจริญแล้วก็จะละราคาได้ครับส่วนวิปัสนาเนี่ยคือราคะมันจะมาคู่กับตันหาเนะส่วนวิปัสนาเนี่ยก็จะเมื่อเจริญแล้วปัญญาก็จะเจริญปัญญาเจริญแล้วก็จะละอวิชชาได้ดังนั้นถ้าเราจะสู้กับตันหากับอวิชชาใช่ไหม รเราก็จะต้องใช้วิปสมถะและวิปัสนาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แค่พอที่จะเข้าใจเรื่องตัณหาวิชาพอที่จะรู้ว่าอัตโนัิมันเป็นปัญหานะพอทราบแล้วเนี่ยเราก็มาใช้วิธีของมัคแล้วกันเดินตามมัคอดีตมนะัคเปลี่ยนใช่อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเราเดินตามมักนะให้ถูกให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตัณหาวิชามันก็จะละไปได้ทีนี้คุณจะไปตรวจหา หัวลูกศรได้ไงจะไปรู้ได้ไงว่าตัณหาอยู่ที่ไห น, นมันต้องมีสติซึ่งสติเนี่ยอยู่ในมัคแล้วมั ค, คทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่ถ้ารวมสามอย่างก็สีสมาธิปัญญาถ้ารวมเป็นสองอย่างก็สมถาวิปษษัสนาถ้า ร, ร, รวมอย่างเดียวก็เกิดดับอย่างเงี้นะเพราะนั้นก็คือลักษณะอย่างนี้ครับผมจริงไอ้ออตัวตัณหากับอวิชชาก็เป็นเครื่องเครื่องกั้นกับเครื่องผูกที่ทาให้เราเกิด วนเป็นวัตตะสงสารใช่ไหมครับที่เกิดดับเกิดดับกันมไม่รู้กี่พบกี่ชาติเหมือนที่ว่าการเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติแต่ผมนะอันนี้ก็ด้วยอํานาจของตัณหาแล้วก็อวิชชาใช่ครับหลุดออกไปไม่ได้ครับแล้วมันก็เลยมีปัญหาต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบกรรมที่ว่ามีเจ้ากรรมในเวนผูกเวนอะไรกันก็เป็นอย่างนี้จริงๆพูดถึงเรื่องนี้ก็พูด ถึงสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้เลยดีกว่า<ผ>มาลต้าพงคือเรื่องของความละเอียดในธรรมะวิ น, นัยนี้เรื่องละเอียดละเอียดนะภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า s u b t ทอกับ Sublime นะ<อ>คือละเอียดที่ว่าเห็นได้ยากเป็นอนูอย่างเช่นว่าเราพูดถึงเรื่องกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ครับที่บอกว่ากรรมเก่านะคือความที่รู้สึกต่ออารมณ์ได้ใช่ครับนะกรรมคือเจตนาใช่ไหมที่เราทาออกไปอาจจะเป็นเจตนาที่ดี แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทาใหเา้เป็นเบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยเป็นเจตนาที่ไม่เบียดเบียน er แต่ผลเกิดขึ้นไปเบียดเบียนเขาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาผูกโกรธเราอย่างเงี้ยทําได้ไหมอ่<ท>า <ำ S 1> มัน <ทำ S 1> จึง<ด>มีคนพูดบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งต้องทําความเข้าใจให้ตรงว่าเจ้าข้าเจ้าของไม่มีนะแต่ว่ากรรมเนี่ย ม, มีคือเจตนาของเราใช่ไหมเวรมีนะคือการที่เขาผูกเวรกับเราเขาก็เป็นนายเวรเรานะเราเป็นลูกเวเรเขาเป็นลูกหนี้เขาแต่เราไม่ได้คิดจะไป คู่นี่เขาเลยนะจะมาเป็นลูกนี้ได้ไงซึ่งตรงนี้เป็นคําอัตมาเองนะไม่ใช่พุทธวจนะพุทธวจนะพูดถึงการผูกเวรเฉยๆนะซึ่งจะผูกโดยฝั่งนู้นทีนี้ความละเอียดมันมีตรงนี้มาลตพงศ์เรื่องของกรรมเนี่ยนะคือคือว่าถ้าเราไม่ได้เคยทํากรรมไม่ดีมานะแต่ว่าคือเรามีเจตนาดีว่างั้นเถอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไปเบียดเบียนเขาอย่างเช่นว่า เมื่อสัปดาห์ที่เร า, เราพูดถึงกับรถชนสุนัขนะหมาขาหักหรือว่าเดินไปอย่างเงี้ยในวัดปด่าดอนไทยศกมาแล้วท่านงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีหอยออกมาเดินตามดินใช่ไหมรเราเดินไปเรามีจิตมีความเมตตามีสมาธิรู้ลมหายใจเปล่าเดินไปเดินไปเหยียบหอยดังแปดตายตายเราเว้ยเราไม่ได้มีจิตบียดเบียนใครเลยหอยมันถูกเหยียบมันไม่ได้ตายเลยนะมันอาจจะมีจิตพยาบาทเรา เป็นนายเวรของเราก็มีเป็นได้ครับทีนี้ว่าการที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยคือฆ่าสัตว์ครับฆ่าสัตว์สัตว์ตายล่ะแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะแต่สัตว์ตายใช่ไหมอย่างนี้ปิดสินข้อหนึ่งไหมครับท่านคือศีลเป็นความเป็นปกตินะเราตั้งเจตนาไว้ในการที่ไม่ฆ่าสัตว์นี้ก็คือสินมันเป็นความเป็นปกติอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นอไม่ไม่ขาดแน่แต่สัตว์ตายนะออสัตว์ตายแล้วทํายังไง เพราะฉะนั้นไอ้ไอที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่ามีคนตายแต่เราไม่เจตนาถามว่ารับผิดไหมผิดเหมือนกันนะต้องไปติดคุกแต่น้อยหน่อยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะผูกเวรกับเราได้ครับเขาอาจจะผูกเวรกับเราได้ถ้าเราทําตรงเนี้ยสมมุติเรามีกรรมนะได้มีเจตนาที่เคยเบียดเบียนสัตว์มาก่อนมันจะมีช่องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหมายถึงการที่เราจะ เป็นผู้มีอายุสั้นก็ตามไปนรกก็ตามหรือว่ามีโรคมากก็ตามจะมีช่องให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราทําบ่อยๆคเขาเข้าใจไหมพอเข้าใจครับแต่ถ้าเราไม่ได้เคยมีกรรมที่มีเจตนาเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่นะครับเนี่ยมันจะไม่มีช่องนี้ขึ้นมาครับชีวิตเราก็จะไม่ได้มีอายุสั้นไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมากครับเพราะเราไม่ได้มีกรรมอย่างนี้แต่สัตว์นั้นตายไหมตายนะ มันถูกเบียดไม่มันถูกบียดเบียนนะเราไม่มีเจตนาเข้าใจเนาะเข้าใจครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งว่าอย่างสมมุติว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้นะครับมาร์เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจอย่างเช่น<ม>คนด่า ก, กัน ค, คนว่า ก, กันคนถกเถียงกันในสภาใค ร, ครทําอะไรไม่ดีเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวนะพอรเราได้ยินข่าวแล้วเนี่ยคุณจะตอบสนองอยังไง นี่คือมันผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะคนคะพูดนั้นเขาก็ไม่ได้เจตนาจะ บ, บิดเบียนเรานะโดยเฉพาะยิ่งข่าวทางหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราได้ยินข่าวนี้ปุ๊บเราเกิดสิ่งที่ไม่ดีอันนี้จะกลายเป็นกรรมของเรามานจะได้ช่องตรงนี้ครัเนาะมานมันจะเอาเราทางผัสสะผัสสะที่เกิดขึ้นกับเราตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรรมของเราก็ได้แต่เป็นเหยื่อของมานกับตักของมนันเป็นได้ทีนี้พอเรามีเจตนาที่ แย่ออกไปใช่ไหมสมมติดูเขาด่ากันเนี่ยเราไปร่วมด่าเขาด้วยอย่างนี้นะกระออกไปคุณด่ากันใช่ไหมถ้าคุณเคยทำกรรมไม่ดีมานะในเรื่องของการด่ากันว่ากันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะมีช่องให้กรรมของเราที่เคยทำไม่ดีมาโผล่มาได้คือการได้รับฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจหรือถ้าทำบ่อยๆคุณไปนรกแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่เคยมีกรรมนี้นะคุณไม่เคยมีกรรมนี้มา ที่ไปด่าคนอื่นด่าคนอื่นแต่ว่าเผลอด่าไปแล้วอย่างเงี้ยไอกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะให้ผลน้อยคือมันจะไม่มีช่องให้ออกผลเพราะว่ารเรามีความดีมากนี่เหรอไหมยกตัวอย่าง ง, าง่ายๆพระพุทธเจ้ า, ะจานะไปซื้อถาดทองคำนะพระพุทธเจ้าก็มีเจตนาดีแต่ปรากฏว่าเทวทัตเนี่ยมาคิดแคนทีนี้ไอกรรมตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีช่องให้ออก เพราะว่าพุะรูชาไม่ได้ทํากรรมไม่ดีเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันเป็นความที่เป็นนายเวรของตัวเทวทัตเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กรรมที่ในเวรที่พรรษาที่เราจะต้องพบเจออย่างในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของพุทธศาสนาพระธรรมดีบ้างพระธรรมไม่ดีบ้างออกมาเป็นข่าวอย่างนี้นะใช่ครับบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะมรต์ตะพ ครับคือหมายถึงคนวัดที่อยู่วัดเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าภายนอกอะไรเป็นยังไงข่าวสารเป็นยังไงเขาก็ไม่รับรู้เรื่องนี้เขาก็สบายใจใ ช, ใช่ไหมแต่คนที่รับรู้ข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อของมารละ่ะมารจะได้ช่อง<ม>เอาข่าวนี้เข้าจิตคุณใช่ไหมข่าวนี้เข้าจิตคุณคุณเกิดภพสัตแล้วคุณจะตอบสนองอยังไงนะ<ม>ถ้าคุณตอบสนอง เ, อเป็นไปในใทางใดทางหนึ่งก็อาจจะถูกกรรมที่เราเคยมีช่องอยู่เนี่ยเล่นงานเอาให้ได้เ<ม>พราะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีลักษณะว่าอะไรล่ะ ต้องรักษาจิตของเราอย่างมากใช่มีสติครองสติอ่าเราก็มีสติรักษาจิตไม่ให้อกุิผลธรรมเนี่ยมันเข้าครับอสติเหมือนนายทวารประตูใช่ครับอันนี้คือเรื่องละเอียดเรื่องกรรมอันที่หนึ่งอืมครับเนาะอ่าถัดไปอยากจะพูดถึงเรื่องของความยึดมั่นกับสาระอ่าใช่นี่ก็เป็นอกประเด็นนึงบางคนบอกว่ายึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันยึดมันก็ไม่ถูกแล้ว ออนะายผู้เช่าเคยถามว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีไม่มีครับผมเอาเงนี้เอาพระพุทธธรรมพระสงค์ยึดเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้เอาแล้วทํำยังไงพระพุทธเจ้าให้บอกว่าถือเอาเป็นที่พึ่งใช้บทเพียญชนะอย่างนี้ถ้าไปดูในริสัจจกพระโอษฐภาคต้นหน้า19นะอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่ามนุษย์เนี่ยยึดเอาภูเขาเป็นที่พึ่ง ยึดเอาป่าไม้เป็นที่พึ่งยึดเอาสวนสักศิษย์เป็นที่พึ่งริดเอาลูกขจีดีเป็นที่พึ่งครับแล้วก็ไปขอขอว่าโอ้ให้ลูกถูกหวยให้ลูกร่ํารวยให้ลูกสอบได้ให้ลูกได้งานใหม่ให้ลูกได้คนรักดีๆมันขอเอาแล้วเพราะว่าถูกความกลัวถูกต้องแล้วอืมันอย่างดีใช่ไหมก็ไปขอนะแต่ว่าการเอาเป็นที่พึ่งคืออะไรอันนี้มีพุทธประนาพูดไปชัดเจนในภาคต้นนี้เหมือนกันหน้าสี่ร้อยกว่า S <S <S พูดถึงว่าการเป็นสรารณะเนี่ยคือหมายถึงการที่เอาราคะโทสะโมหะหมดไปนี่คือสารณะเพรานะฉะนั้น ค, คุณเอาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าบอกว่าส่วนผู้ใดที่ถึงพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาครับคือหมายว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใช้เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่นะคุณจะแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมอืประเด็นคืออริยสัจสี ครับใช่ครับแล้วจะได้อริยสัจสีได้ไงต้องใช้พระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งครับเหมเป็นบันไดเป็นที่พึ่งเนี่ยหมายถึงนี่นะหมวดรัตพง์ครับเวลามีปัญหาอะไรคุณไปพึ่งที่นี่เวลาคุณคิดอะไรไม่ออกไปพึ่งที่นี่เวลาทํายังไงไม่รู้จะทํายังไงไปพึ่งที่นี่เช่นกระเป๋าไม่มีตังค์ใช่ไหมคุณอยากรวยใช่ไหมเอาไปพึ่งพระพุทธพระธระสงค์เอาทายังไงบุรุษชาบอกว่าให้ทําความเพียรด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปทำอย่างนี้ไงครับนี่คือคนที่เห็นอริยสัจสี เห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นความดับไม่เลยของทุกอาอสัมมาอาชีวะเออฉันรคับอย่างเงี้ยอย่างอย่างย่งชีวิตเราถ้ามีปัญหาอย่างเช่นในครอบครัวแล้วเราไปปรึกษาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันสมควรใช่ไหมครับก็การเข้าใกล้สมณะก็เป็นมงคลอย่างยิ่งครับการสอบถามปัญหากับสมณะผู้มีทรงศีลก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดตรงนี้คือการใช้เป็นที่พึ่งกับการยึดถือไม่เหมือนกัน คนยึดเนี่ยมันจะมาเป็นของเราเราจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันนี้ต้องของฉันของของของเราเนี่ยมันก็ขอเอามันก็ยึดเอามันได้ทั้งนั้นง่ายจะตายประเด็นที่พระเจ้าต้องพูดถึงในที่นี้คือเห็นอริยสัจสี่มันก็คือเรื่องมรรคท่านั้นเองอ่ะมันไม่มีอะไรหนีออกจากนี้แต่คุณเรียนหนังสือคุณนัียนหนังสือคุณก็ต้องใช้อริยสัจสี่อยู่ในอริยมรรคมีองค์แคุณไปทํางานคุณอยู่ที่ไม่ว่าทํางานภาครัฐภาคเอกชน ม, ม, ม, มันต้องมีสัมมาอาชีวะมันต้องมีศีลมันต้องมีสมาธิปัญญาทั้งนั้นครับอย่างนี้คือการที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะพูดถึงอว่ายึดเป็นที่พึ่งอันนี้บทพยัญชนะไม่ถูกก็ต้องใช้ให้ถูกทีนี้ถ้าเรายึดเป็นที่พึ่งสมมุติอรามายึดพระพุพะทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเราจะมีปัญหาตรงนี้ว่าถ้ามีใครมาติเตียนทํามตีเตียนสงฆ์ติเตียนพุท ธ, ธะนะเราจะจีดเราจะไม่พอใจอมันจะมีความจีดเกิดขึ้นเฮ้ยด่ากูบาอาจารย์ฉันเหรอ นั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะยึดเป็นของเราเยงไงอยึดนไะงยึดแต่เพราะว่าอย่างสมมุติประสงค์อย่างนี้ไม่มีใครทําให้แปดเปื้อนได้นะด้วยคุณธรรมของท่านที่มีท่านดียังไงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่ อ, อออกจากทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติของท่านเน่ยดีแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาด่ามาว่าว่าเราปฏิบัติไม่ดีมันก็ท่านปฏิบัติดีแล้วมันจะไปด่าว่าท่านได้ไงอฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเราจะสบายใจอยู่ได้ครับแต่ถ้ามีคนมาใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านปฏิบัต ศิลป์บกพร่องอะไรเงี้ยก็มี ม, มีมีได้<ม>ในสมัยนั้นก็มีครับครับแล้วถ้าคนที่ไม่ยึดเนี่ยเขาจะไม่จีดไงครับจะ<ช>บไม่กระฟัดกระฟิกกระด้างกระดึ๋งแสดงความกระดดความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏครับแล้วเรื่องการใช้เป็นที่พึ่งเนี้ยนะหมอธนพงศมันชัดเจนที่พระพุทธเจ้าพูดถึงย่งบางคนอาจจะฟังรายการเปิดทำที่ถูกปิดทั้งภาคออนไลน์หรือภาคลฟทางวิทยุเนี่ยนะด้วยความที่ว่าโอ้ เสียงดีเสียงหลอ่ออะไรต่างๆอย่างนี้จึงฟังอันนี้เป็นเหตุทางอามิ t h ไผ่นอกออืเป็นกรรมคุณนะครับเป็นกรรมคุณชัดเจนครับนะไม่ถูกต้องอย่างว่าการประเด็นที่สามที่เราจะพูดวันนี้คือเรื่องการบูชาอย่างนี้อ ย, นอย่างคุณถ้าคุณไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าโอ้โหหลงไหลในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าโอ้โหหลอ่อมีบุรุษสามยี่สองประกา ร, รโอ้โหตาดุดตาวัวหลงเข้าไปอย่างเนี้ย คุณตกเป็นเหยื man, ่อของมารทันทีครับรูปเนี่ยเป็นเหยื่อของมารครับนั่นคือรูปที่กายที่เรามีอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะคุณเสร็จมารทันทีน อ, อยู่ใกล้ก็ถือว่าไม่อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลกับเราโดยแท้อันนี้ผู้ชายพูดผิชัดเจนครับเหมือนกับที่ท่านบอกว่าจับชายผ้าเหลืองของท่านแต่ว่าใชจิตเนี่ย จิตเนี่นไมไ่ได้ถึงอริยสัจย่ยังหนาอยู่ยังเป็นไรอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องนี่ ค, ค, คือบูชาเราให้คุณเอาอะไรมาบูชาคุณเอาของที่เป็นอามิสมาบูชานั่นเท่าบูชาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าบูชาด้วยสิ่งที่พระเจ้าบอกพูดถึงอะไรโอ้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีภาคเจ้าเป็นพระอนันตสุรุชอบได้โดยพระองเองสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจรณนะครับแล้วก็เป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกอะไรต่างใช่ไหมถึงจะถูกคุณเอาอะไรมาบูชาพระเจ้าเอา อาหารหนึ่งฝายฝ่ามือมาบูชาด้วยเห็ุนี้โอ้โหได้บุญมหาศาลครับหรือว่าจะเอาของหอมเครื่องรูปไร้รูปทามาบูชาด้วยเห็ุนี้ได้บุญมหาศาลหรือว่าเราจะปฏิบัติบูชาด้วยศีลของเรายิ่งได้บุญมหาศาลปฏิบัติบูชาด้วยสมาธิด้วยปัญญาโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยอามิสบูชาอะนิรามิสบูชาิราหรือว่าคนจะมาหาอาตมาเนี่ยตามมาด้วยเสียงที่โอ้เสียงฟังแล้วมันซาบซึ้งหูคุณไม่ถูกประเด็นละ มายกย่องเราด้วยสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นไม่ถูกาคุณครับแต่ถ้ายกย่องเราด้วยว่าเออเราเป็นผู้มีศีลนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมอันเป็นก็เรื่องออกจากตัวอันนี้ถูกต้องสมควร น, นะครับถูกต้องถูกด้วยเห็นและผลจะมากราบอาตมาหรือกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกราบด้วยเหตุอย่างนี้หรืออย่างเอาพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยหมอธปงไปหาพ่อแม่เจอพ่อแม่ยกมือไหวไหมกราบไหวทุกครั้งเราไหวทุกครั้งก็เพราะว่าคุณธรรมที่ท่านมีถูกไหม ครับเราเคารพในความดีของท่านครับถึงพ่อแม่คนอื่นเราก็ควรไหว้ใช่ครับเพราะว่าโอ้โหคนที่จะมาอุปการะผู้อื่นก่อนนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆในโลกนะครับครัเป็นหนึ่งในสองอย่างที่หายากในโลกมีอะไรบ้างครับท่านอย่างที่สองก็คือบุคคลที่ตอบแทนผู้ที่อุปการะเราแล้วนะ ล, ะลูกที่ตอบแทนบุญคุณแม่ก็หายากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราไหว้คุณธรรมนี้เราบูชาคุณธรรมนี้ อย่าสมมติเราจะบูชาคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่ไว่ายคุณทําอะไรเอาซื้อขนมไปให้แม่โอโหนี้ก็ควรทําอยู่นะแล้ว บ, บูชาด้วยอามิดใช่ไหมไม่งั้นอคือบูชามันบูชาได้ทุกแบบอะ่ะแต่ว่าคุณบูชาอะไรนะคุณบูชาอะไรนะคุณเอาของไปให้เขาเพื่อหวังว่าเขาจะทําดีกั บ, เ ร, รบเราเขาจะให้งานเราเขาจะเชื่นชมยินดีกับเราอันนี้ผิดผิดธรรมใช่ไ้มแต่เอาไว้ให้เขาบูชาความที่เขา ย่งเอาเอาของไปให้เจ้านายด้วยความที่เจ้านายนี่เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงเป็นคนมีวิสัยทัศน์เอาด้วยคนณธรรมข้อนี้เอาของไปให้เขาไม่ใช่ว่าเอาเงินไปให้เพื่อซื้อตําแหน่งโอ้โหนี้ไม่ได้เรื่องมากมากครับมันเป็นเรื่องละเอียดใช่ไหมมรลต์พงศ์ใช่ครับเรื่องละเอียดมากๆเลยนะเอาแค่เรื่องกราบอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมีคนมากราบอาตมาแล้วมาโอ้ท่านรอหลือเกินท่าน เ, าเสียงเพราะหรือเกินแต่คุณอย่ามากราบเลยการกราบนี้เป็นบาปด้วย านะมันหลงในรูปเป็นบาปบแต่ถ้ากราบด้วยคุณธรรมที่พุทธธรรมส่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญครับนะเพราะฉะนั้นเราอย่างมรดพงเดินไปข้างนอกอย่างเงี้ยเห็นต้นโพต้นหนึ่งโอ้ยนึกถึงพระเจ้าโอ้ยนึกถึงพระเจ้าจะทําไงดีนะจะแสดงออกด้วยอาการอะไรก็ยกมือขึ้นไหว้ครับเอายกมือขึ้นไหวบางคนบอกวเฮ้ยคุณไหว้ต้นไม้อ๋อแต่ว่าจิตเราไม่มันอยู่ที่จิตไง okay. มันอยู่ที่จิตไง อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ต่อให้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ากราบลงที่ผ้าสังกติติดเท้าเลยแต่ว่าด้วยลหลงไหลในความรูปชมของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นบาปบแต่ถ้ากราบด้วยจิตที่ความเป็นพุทธะอันนี้เป็นบนุญเนะเพราะฉะนั้นรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ยึดติดทั้งนั้นอ่ะทีนี้ถามว่ารูปเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ควั่งทิ้งไม่ให้ถือเอาให้ทิ้งไปใช่ครับเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายจะเป็น รูปปั้นพระเครื่องหนังสือพรมมะตัวเราเองหรือแม้แต่ตัวเราเองนะต้องทิ้งนะหมอรัตตบงครับเอายังไมเงั้นเราไม่ฆ่าตัวตายอ๋อหรือทำไมไม่กินข้าวกินข้าวทำไมข้าไม่ต้องกินอืเพราะมันไม่ดีไปทางหนึ่งไหมครับมันก็จะสุดตรงไปทางหนึ่งไงว่าเอาอะไรมีประโยชน์เราก็ใช้ไปก่อนนะขันนี้ยังพอมีประโยชน์ทําให้ศึกษาธรรมะได้เราก็ดูแลมันไปตามสภาพใช่ไหมไม่ต้องถึงกับไปตัดออกไปฆ่าเขาทิ้งอย่างนี้นะ เหมือนเอาเขาเป็นสาธารณะแต่ไม่ได้ยึดมั่นในตัวเขาอย่างนี้ได้ไหมครับเอา<ม>ใช้งานใช้งานไม่ใช่เป็นสารณะงานครับสารณะรนี่ต้องพุทธธรรมสงอย่างเดียวครับครับทีนี้ของของโลกเราก็เอามาใช้งานให้ถูกต้องเราไม่ยึดติดในเรื่องความสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปยึดติดพระพุทธรูปว่าเอาเป็นของสวยงามอันนี้คุณทําไม่ถูกแต่ถ้าเราจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยขวดน้ําเพื่อระเลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยก็ได้หรอกหรืออาจจะอาศัยก็ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ระลึกถึงพระพุทธประธรระสงค์กันแล้วกันอย่างนี้นะ อ, ะอแล้วก็การบูชาใดๆที่ให้ถูกต้องตามธรรมอันนี้ก็สามารถทําได้ครับอลักษณะนี้นี่เรื่องละเอียดมากนะหมอตะบงครับคือพระพุทธเจ้าสันเสริญการบูชาที่เป็นนิรามิตใช่ไหมครับแล้วก็ก็คือหมายความว่าเาขาเรียกว่ามไม่เป็นการบูชาอันสูงสุดเป็นการบูชาอันสูงสุดแต่ไม่ได้ตําหนิติเตียนคนที่บูชาด้วยนิรามิตนะ ไม่เคยบอกว่าโฮ้ยเธอบูชาด้วยนิรามิตไม่ดีเอาไปทิ้ง อ, อามิตรเอด้วยอามิตคือของที่เป็นอามิตเนี่ยไม่ดีเอาไปทิ้งไม่เคยพูดเนะพราะนั่นจะเป็นการกุดรากตัวเองนะใครบอกบห้ามครูอื่นให้ทานเนี่ยไม่ถูกต้องก็ให้ตามธรรมคุณให้เพราะอะไรอะรอย่างที่พูดเมื่อสักครูน่นี้คุณเอาทานไปให้หัวหน้าเพราะว่าหวังว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งเราอันนี้คุณคิดไม่ถูกอืมไม่ถูกต้องเป็นเป็นไปเพื่อการคุณเป็นไปเพื่อ ติดสินบนสินจ้าเป็นการผิดศีลเป็นการผิดธรรมะเป็นบาปด้วยครับอันนี้เรื่องละเอียดเรื่องที่สองหรือเรื่องที่สามด้วยนะสองครับ2เนาะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่ละเอียดขึ้นไปมีครั้งหนึ่งที่อาตมาไปวัดดอยธรรมเจดีครับก็ไปกับชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาก็พูดโอ้โหที่นี่ดีมากเลยเป็นป่าเป็นอะไรต่างๆนะถ้าเปรียบที่กว่าป่าดอนไหฮโซนี่คนละแบบกันที่นี่จะเป็นป่าใหญ่ที่วัดป่าดอนไฮโซนี่จะเป็นป่าเล็ก เ, เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าที่นู่นดีมากอะไรต่างๆอย่างนี้นะ ค, คนละแบบคือคนละแบบทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า อ, อย่างการอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยพระเจ้าให้หลักเกณฑ์ไว้แล้วนะเอาเรื่องของการภาวนาเป็นหลักทีนี้การอยู่ป่าอย่างที่ค ร, รูบาอาจารย์ท่านๆพากันดําเนินมาอย่างเงี้ยมีหลวงปู่มั่นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบฉบับเนี่ยในการอยู่ป่าใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าคุณธรรมที่เรียกว่าสันโดษ นะสันโดษของท่านนะความสันโดษนะเนี่ยจึงทำให้ท่านอยู่ป่าคือมีสมัยก่อนตอนที่จะมาเป็นค า, ารวาสนะมรตพงศ์เราก็เดินทางบ่อยชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แลปท็อปเปนเครื่องหนึ่งมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากนะครับมันก็มีอยู่เท่านั้นะ่ะจะเรียกร้องอะไรมากมันก็ได้ไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้จักความสันโดษ นะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องมีถามว่าคุณจําเป็นจะต้องเป็นผู้เดินทางไหมหรือคุณจําเป็นจะต้องอยู่ป่าไหมในการที่คุณจะฝึกความสันโดษก็กรณีอื่นก็ได้ถูกไหมอาจจะไม่จำเป็นเอาเอาอย่างง่ายๆเลยอย่างเอาเทวทัศน์เอาครับจะไปกินเจจะถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตลอดยกตัวอย่างอย่างพระเทวทัศน์อย่างเงี้ยจะไปกินเจจะถือผ้าบางสกุลเป็นวัดน่าจะ อยู่ป่าเป็นตลอดชีวิตเพื่อหวังลาบนะอก็ไม่ถูกต้องนะครับโอ้ยมันไม่ถูกแน่นที่พระพุทเจ้าเคยพูดถึงภิกษุที่ถือทุตดงควัตรเพราะว่าหวังลาบก็มีแต่เพราะฉะนั้นมันมันไม่แน่เลยเหมอระพงคนอยู่ป่าคนอยู่คนไม้หวังลาบก็มีหวังชื่อเสียงก็มีมันอยู่ที่จิตจริงจงอิงหรือว่าเอาอย่างวัดป่าอย่างเงี้ยคนบอกคุณต้องสร้างวัดป่าคุณต้องสร้างวัดป่าวัดป่าไม่เหมือนวัดบ้าน นะมันเป็นอะไรในป่านี่มันเป็นอะไรสมมุติถ้าเมืองไทยถูกตัดป่าหมดแล้วจะเป็นยังไงมีมวัดป่าไม่ได้แล้วทําไงเป็นวัดทะเลทรายเหรอครับใช่ไหมเพราะฉะนั<ช>้นความเป็นสมณะเนี่ยมันอยู่ที่ความสันโดษพอเพียงสันโดษในบริการอยงชีวิตนะอยู่ที่ศีลของเรารอย่ที่ข้อปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเสนาสนะเป็นเรื่องลองรองไปเลยออาหรือรว่าบางคนต้องบอกฉันต้องไปอยู่ที่นี่เท่านั้นอยู่ที่อื่นไม่ได้ต้องป่าแบบนี้คุณไปตามว่น่ากวนอยาก นะ<ช>ความ<ช>อยากเนี่ยมันตามเราไปทุกที่นะหมอละทงครับ อ, อ, อยู่ที่นี้มันมันก็ตามเราไปเราตกที่นี้มันก็ตามเราไปนะมันก็หิวอยู่เรื่อยๆคุณอยู่ป่านี้ไม่พอใจก็ไปอยู่ป่าอื่นผู้เชา่าก็ยังเป ร, เรียบเทียบเหมือนกับหมายขี้เ ร, รื้อนครับนะอยู่ตรงไหนก็ไม่สบาย<ช>เพราะยังโรคเรือนมันตามไปตลอดใช่ครับอยู่ติดตัวมันเรื่องละเอียดมากดูภายนอกยากมากใช่ครับนต้องพิจารณากันในเชิงลึกนะครับ จะว่าจะเป็นเรื่องของการกราบการอยู่สันโดษอยู่ปา่าอยู่วัดปา่าอยู่วัดบ้านว่ามันมันบุญยากใช่ครับละเอียดมากละเอียดมากเรื่องนี้คือความละเอียดของธรรมวินัยนี้ธรรมวิ น, ยนันยครับหรือว่าเอาอย่างการกราบไหว่อย่างเงี้ยนะที่ที่เราพูดมาสักครู่นี้อ่ะ น, นะถ้าเราเห็นประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยจะกราบไหว้อะไรเนี่ยเราก็จะสบายใจแหละ นะถ้าเรารู้ถึงเหตุผลที่สมควรหลังเราจะไหว้บูชามารดาบิดาเราก็บูชาตามระบบที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้จะบูช า, ชาเทวดาคุณรู้จักเทวดาไหมคุณรู้ไหมเขาชื่ออะไรคุณรู้ไหมเขามีคุณธรรมอะไรอย่างพระอินทร์เนี่ยมีคุณธรรมเขาเรียกว่าสัตบุตรเจคุณธรรม7อย่างที่ทําให้ความเป็นพระอินทร์อย่างเช่นการบูชามาดาบิดาตลอดชีวิตนะความเป็นผู้ไม่โกรธความเป็นผู้มีเมตตาอย่างเงี้ยทำให้มาเป็นพระอินทร์ไนดะ้โอ้คุณบูชาพระอินทร์ด้วยคุณธรรมข้อ น, นี้ถึงสมควร นะไม่ใช่บูชาด้วยว่าโอขอหวยนะขอให้ ร, รวยขอให้อันนี้มันคนละเรื่องเลยขอให้ท่านคลุมคลองนูนคลุมคลองนี่นะครับคือขอให้ขอให้รวยเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามสมาอาชีวะใช่ครับนะขอให้โชคดีใช่ไหมคุณก็ต้องมีสมาสังกปาอย่างนี้นะก็คือต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องใช่ไหมครับอืบแล้วก็นี่คือเรื่องของการขอเพราะฉะนั้นพอเราทราบประเด็นละเอียดละเอียดในลักษณะนี้เนี่ยนะใครจะทําอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจ ตรงรที่ว่าเออเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้มันก็จะมีแง่มุมนี้ให้เขาไหลไปได้ชจะมีทางออกให้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้<ช>เป็นข้อมูลที่ดีมากเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศให้อษษษษคีพภษนาโคตฟังพรามเล็บยาวนะที่ตอนนั้นภา ษ, ษาดิบุตรฟังอยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรรณ์ไปเลยนะคือกรณีที่ว่าพอเรารู้ข้อมูลนี้แล้วเนี่ยนะจะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่กล่าววาจาขัดแย้งกับใครๆวาจาใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเราก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดความหมายไม่ยึดถืออะไรอะไรอยู่ ใครจะกราบใครจะไม่กราบก็ได้อย่างคนมาวัดไม่กราบอาตมาอาตมาก็ไม่ว่าอะไรครับเนอะหรือจะกราบอาตมาถ้าคุณกราบด้วยความที่เห็นเราเป็นคนรูปงามหรือมีเสียงเพราะคุณก็ไม่ถูกไม่อยากกราบครับครับอ่อย่างนี้เป็นต้นอ่อมันเป็นเรื่องละเอียดมากเราก็จะสบายใจใช่ไหมไม่กล่าววาจาขัดแย้งกับใครๆอันนี้ถึงจะดีครับครับประเด็นต่อมามอรัตพง์เรื่องความละเอียดที่อาตมาต้องพูดเร็วเนี่ยนะเพราะว่ามันละเอียดจริงๆนะ ครับผมเอาเป็นต่อไปคือพูดถึงเรื่องของกรรมนิดหนึ่งครับนะกรรมที่เราพูดถึงว่ากรรมมาคุณอย่างเงี้ยกับการมกับการมมคุณนะที่เราเคยพูดถึงไปแล้วมีบางคนรวยบางคนมรดโทมคนที่มีเงินมากนะพอเขารู้ข้อมูลนี้โอ้โหการมมคุณการมไม่ดีการมมคุณทําให้เกิดกรรมโอ้ยเราไม่น่ามีเลยมีแล้วเป็นทุกข์นั่นคิดไปอย่างนั้นไปอีก อันนี้ไม่ถูกนะครับคือหมายความว่าอะไรคือเราจะเราจะ enjoy สิ่งที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายได้นี่นะอย่างสมมติเราพูดถึงรถอย่างเงี้ยรถยนต์มีตั้งแต่คุนไดโตโ o ต้าวอ o l v o bmw b บ n z มันก็ละเอียดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคนที่หนาหนาไม่รู้เรื่องอะไรหยาบหยาบเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าโอ้นี่รถยุรุนอะไรทำปีไหนเครื่องยนต์ไซส์อะไรต่างๆ่างนี้นะแต่คนที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยก็จะพูดถึงแค่ตาหูจมูกลิ้นกาย พวกนี้เนี่ยจะไม่หลุดไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็จะเรียกรวมกันก็จะเอื้อยขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ครับทีนี้คนจะมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายได้คุณต้องรู้ที่ใจถูกไหมใช่ครับทีนี้ ใ, ใจเนี่ยถ้าใจคุณไม่ดีใจคุณป่วยอย่างเช่นคนเป็นบ้าอย่างเงี้ยต่อให้คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายเลือดรู้ขนาดไหนมีรูปเสียงกลิ่นรสพทัทธาสัมผัสเลือดรู้ขนาดไหนคุณก็รู้สึกดีไม่ได้ใช่อย่างตัวอย่างคนที่เขารวยมากๆนะแต่ว่าปรากฏว่า มามายินดีในสิ่งที่ถูกๆจนๆของเน่าๆก็มีมที่เราเคยยกตัวอย่างของเศรษฐีที่อยู่เมืองสาวัตถีที่ถูกยึดทรัพย์โดยพระเจ้าเปรตดิโกสนนะนะก็มีทำให้เขาในจิตของเขาเนี่ยไม่สามารถรับรู้ในสิ่งนั้นได้นะเพราะฉะนั้นจิตเขาป่วยจิตเขาไม่ดีนะแต่ถ้าเราเป็นคนมีเงินมีเพียบพร้อมไปด้วยการมคากุณทั้งห้านะแล้วเราเนี่ย รู้โทษของกรรมคุณห้าไม่ไหลไปตามอันนี้ถึงจะถูกคุณเสพกรรมได้อย่างไม่จมกรรมนะคนรวยคนที่มีเงินมากมีกรรมมคุณทั้งห้าเ อ, อิบอิ่มด้วยกรรมคุณทั้งห้าแล้วมาขยักขยงเกลียดชงังไม่ยินดีต่อสิ่งที่ตัวเองมีนะมันก็ไม่ถูกสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยก็คืออย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, ลนกำหนัดมัวเมาในสิ่งนั้นตั้งหากถึงจะถูก ให้ใช้นะสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ใช่ไหมครับอก็ใช่ใช่ให้ทานบ้างนะสงเคราะห์ญาติบ้างอย่างนี้ครับจิตของเราจะเกิดสุขตรงนี้ได้สุขอย่างเป็นธรรมะนะไม่ใช่สุขอย่างรุ่มหลงไปในก ร, รมคุณอืครับหรือว่าคนจนอย่างเงี้ยคนจนนะไม่มีเงินนะอยู่บ้านฝาไม่ฉาบก่อออิดบล็อกแล้วก็ไม่ได้ฉาบอย่างเงี้นะอย่างบ้านนอกอย่างเงี้ยนะครเมื่อแามาเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจเขาก็ ก็มามาคิดว่าฉันต้องเป็นเศรษฐีฉันต้องรวยฉันต้องสวยฉันต้องเก่งขึ้นมาแต่ตัวเองไม่ได้ทําอย่างเงี้ยก็จะมีความรุ่มหลงในการตรงนั้นก็ไม่ถูกอีกเหรอไหมอยากแต่ไม่ทําอย่างนี้ใช่ก็ถูกทั้งขึ้นทั้งร่องหมายถึงว่าโดนกิเลสตัณหามันเล่นงานสองเด้งทั้งร่องใช่มันเอาเ้าสองทางสองทางครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีตรงนี้เห็นตรงนี้ได้เป็นเรื่องละเอียด อ, อย่างเช่นว่าคนรวยคนจนนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งใช่ครับพระพุทธเจ้าเคยพูดบ อ, อกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีในอาไลมีความอาไลเป็นที่มายินดีคืออาไลในกามคุณห้าแล้วเราไปดันยินดีในสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้ามีคนมายกย่องกามคุณห้าอาตมาฟังนะครับอัตมาจะรู้สึกขยักขยงเกลียดยชังแล้วก็ไม่ยินดีไม่พอใจอนะครับ ไอ้ทํำไมเราเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยพูดนะมรดพงศ์พูดถึงอิทธิปฏิหารเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมว่าเรารู้สึกเกลียดชังขยะกขยงต่อสิ่งเหล่านี้ ใ, ในขณะเดียวกันนะพรุทธเาบอกว่าเห็นรูปด้วยตาก็ไม่มีความรู้สึกขยะกขยงในสิ่งที่ไม่ชอบใจเอ้มันเหมือนขัดขัดกันนะเอาฟังใหม่อีกทีนะ ใ, ในกรณีหนึ่งบอกให้เกลียดชังความชั่ว อีกกรณีหนึ่งบอกว่าอยากเกลียดชังสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอือเออมันเหมือนกันยังไงครั บ, รบอันนี้ <ๆ S 2> บทเพยยียรชนะอาตมาน ะ, นะอันนี้บทพยยียรชนะอาตมาบทพยยียรชนะอยยของเรานะสรุปสั้นๆไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราดูไปในบทพยยียรชนะของพระุทธเจ้าจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กลัวบาปนะคือมีฮีรีโอตปาให้เกลียดบาปเกลียดความไม่ดี นะอย่าไปยุ่งกับมันเห็นแล้วต้องขยักขแยแงอย่าสนใจเห็นแล้วขนลุกเห็นแล้วยิ่งเมินหน้าหนีอย่าไปแตะต้องด่าได้ด่าซ้ําขนา บ, บให้มันถึงที่สุดนี่คือความชั่วครับนะแต่อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามขันทั้งห้าอย่าไปสนใจนะอย่าไหลาไปตามอย่าไปยินดีถ้ามันมาทําให้เราสุขอย่าไปเสียใจถ้ามันมาทําให้เราทุกข์สองแง่มุมไม่เหมือนกันละเอียดมากนะหมอระทวงได้ใช่ครับอันดับแรกอันเอาพูดถึงขันที่ไม่ดีก่อน นะยาไหลขึ้นไหลลงขึ้นลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของกันทั้งหถ้ามันทำให้เราพอใจอย่าดีใจถ้ามันเราทำให้เราทุกข์ถ้ามันทาให้เรามีสุขอย่าดีใจถ้ามันหายไปเสื่อมจากความสุขทำให้เราทุกข์อย่าเสียใจอันนี้อันที่หนึ่ง อ, อันที่สองคุณต้องเกลียดคุณต้องขยักขยแงดา่าได้ด่าขนาได้ขน า, ขนาต่อความชั่วครับอ่อาเพราะฉะนั้นสมมติถ้ามีคนสองคนมาคุยกันจะมา คนคนนี้ทั้งสองคนพูดเหมือนกันยกย่องสิ่งที่เป็นกรรมคุณหา้าบอกว่าเอาอย่างย ก, ยกตัวอย่างดินสอทแท่งนี้โอ้โหดียังไงคุณสบัตยังไงทำจากแมทเทอรอะไรใช้งานอะไรบ้างโอ้นมีไทเทเนียมตรงนี้ไส้นี่ออกมาอย่างนี้บรรยายคุณจะทำให้เราฟังนะครับพระสง์รูปที่ฟังอยู่อย่างสมมติอาตมาฟังอยู่นะอาตมาได้ยินเขาสรรเสริญกามคุณทั้ง5เนี่ยเราเริ่มเคืองละ เ <c oughs> ครื่อง <c oughs> นี่คือหมายว่าเรารู้สึกไม่ดีต่ออกุศลธรรมใครจะมายกย่องกรรมคุณฑ์ห้าพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นโทษรโอ้ ย, อยมันพูดอย่างนี้มันขัดแย้งพระพเจ้าเราจะของขึ้นของขึ้นเราต้องด่าหรือขนา พ, พูดให้มันจบ<ค>หน่อยขนาบใช่ไหม<ค>ขนาในที่นี้เราจะขนามไหมถ้าบุคคลที่พูดเนี่ยนะเป็นคนที่หนาไม่มีศีลแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรลงไปตามกรรมคุณฑ์ห้าเราจะพูดให้ชี้แจงให้เขาเห็นโทษของกรรมคุณทั้งห้านั้นะ <te le> เห็นโทษของกรรมที่เกิดจากกรรมกุณหานี้ครับแต่ถ้าคนที่พูดนะเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่เห็นโทษไม่รุ่มหลงในกรรมคุณในกรรมอยู่แล้วแต่เขาบรรยายคุณสมบัติของสิ่งนี้เฉยๆเราจะไม่พูดเข้าใจไหม <te le> เราก็จะไม่รู้สึกขยัก ข, ขยายงในสิ่งที่เขาพูด <te le> เพราะเขาพูดจากคุณธรรมในใจที่เขามีครับมันจะไม่เหมือนกันเหมือนถ้าเราเจอพระสงฆ์บางรูปที่แบบโอท่าทางโห แบบไม่น่าดูเลยอย่างงี้นะบบมันมก็ไม่แน่ครั บ, รบมันก็ไม่แน่ว่าท่านแสดงออกเพราะอะไรอ๋อครับเราไม่รู้เราไม่รู้จิตท่านเอาอยัางยังขอโทษทีเถอะอย่างกยกย่อ ง, อ ง, องครูบาอาจารย์เราหลวงตาหมาบัวยอย่างเงี้ครับบางทีด่าพระนะมรดงโอ้โหแรงใช่ไหมครับต้องปิดเทปอ่ะท่านบอกปิดเทปปิดเทปไอ้พระองค์นี้เราจะนี่มันอ่าแต่ก็มีคนแอบอัดนี้เราก็ไม่ดูครับนะ ก็มีเพราะว่าอะไรดากขนาดสิ่งที่เป็นอกุสนธรรมอนี่เรื่องละเอียดนะแต่ในขณะเดียวกันนะคนที่ไม่เป็นท่านก็ไม่ว่าอะไรก็พูดดีๆเพราะฉะั้นโ อ, อ้ทำไมมันบางทีมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องละเอียดมากตรงนี้ครเป็นเรื่องในจิตใช่ครับอีกประการหนึ่งที่อย่างเช่นว่าการมีคนเอาของมาถวายเราอย่างเนี้ยครับ มีคนมาของมาถวายแต่ว่าเราไม่ได้รับประทานเราไม่ได้ใช้ให้เขาอย่างเงี้ย เ, เคยมีแม่ออกคนหนึ่งมีอุบาสิกาท่านหนึ่งมาถวายอาหารที่วัดปดา่าดอนไสโศเราก็บอกโอ้พระสงฆ์ท่านต้องกินนะต้องต้องกินให้ยอมนะยมจะได้บุญต่างๆอย่างนี้นะคือ ค, คือเขาจะมีความยินดีพอใจจากการที่เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยรับประทานอาหารของเขาอืมโหเยอะเลยอะ่ะคนไทยได้ยินบ่อยมากเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของกามชัดเจนใช่ครับคุณยินดีอะไรคุณยินดีในรูปต่างๆ แมดผิดวินาทีที่คุณถวายไปเนี่ยคุณได้บุญแล้วแล้วถ้าคุณมารู้สึกยินดีพอใจในหลังจากถวายไปยิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าคุณมาเสียดายว่าโอ้ยทำไมท่านไม่ชัดคุณได้บุญน้อยลงตกเพราะเราต้องรู้จักทำจิตของเราตรงนี้เรื่องละเอียดนะ เรื่องละเอียดมากๆเลยคุณต้องรู้จักในการทําจิตทําจิตยังไงให้คุณได้บุญมากเนี่ยนี่แหละหมอท่านต้องทําห้คนรวยยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นและก็รวยขึ้นคนจนก็ยิ่งจนลงจนลงแล้วก็จนลงเพราะเหตุนี้มันไม่รู้เทคนิคเนี่นึกออกไหมคนมีบุญมันก็ยิ่งมีบุญมากขึ้นรู้จักการทําจิตทำยังไงแผ่สุขุสนยังไงทํายังไงให้ได้บุญมากขึ้นคนจนมันไม่รู้มันก็ไปติดกากามกามคุณเนี่ยมีโทษมาก พูดผู้ผู้ถูกกามเนี่ยมีโทษมากมีทุกข์มากพูดแล้วก็ขนลุกบอืบเอาเรื่องรายละเอียดต่อไปที่ต้องพูดเร็วหน่อยเพราะว่ามันละเอียดจริงๆนะวัดทับาางหมดมีอะไรบ้างครับอในเรื่องถัดไปก็จะมีอีกสองเรื่องที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติกับเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วปรากฏว่านั่งได้ดีอดีแล้วก็มีความลุ่มหลงพอใจอันนี้ก็ผิด หรือบางทีนั่งสมาธิแล้วฟุง้งซ่านนั่งไม่ได้เลยแล้วเกิดความไม่พอใจมันก็เอาเราตรงนี้ใช่ครับบาง<ม>ทีเรานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยทําได้สี่สิบนาทีเออดีใจละนั่นใบลุ่มหลงยินดีกำหนัดเพลิดเพลิ น, ล น, ลนอันนี้ก็ผิดหรือนั่งสี่สิบนาทีนั่งหนึ่งชั่วโมงทําได้สี่สิบนาทีอีกยี่สิบนาทีไม่ดีเราก็รู้สึกขยะกขยังเกลียดชังต่อสิ่งที่เราทําไม่ได้คือมีความพยายามเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้น อ, อันนี้ก็ผิดอีกครับคือมันเอาเราทางเลย เอาทั้งหัวทั้งท้ายครับนี่คือเรื่องของการวางจิตยังไงครับก็ให้อยู่กับเหตุที่ถูกต้องอยู่กับลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ครับไม่ต้องสนใจพวกนี้เลยครับแล้วถามว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับความรู้อย่างนี้เป็นต้นอย่างอ่าผู้ช่วยงานทาที่วัดป่าดอนไหนโศกอนะอาตมาก็จะเขี่ยวเข็นให้เขาไม่นั่งพิงอืเรามาคิดว่าเราไม่ให้เขานั่งพิงเนี่ยเราถูกหรือเปล่ามันก็ทั้งอาจจะผิดก็ได้นะ คือในกรณีที่ว่าถ้าจิตเขาดีอยู่แล้วละจะพิงไม่พิงก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าจิตเขาไม่ดีต่อให้ไม่พิงมันก็ไม่ควรใช่ไหมเพราะนันมันอยู่ที่จิตแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้หลีกเลนที่เขาเดี๋ยวก็จะมาหาขอหาพิงอั น, นั้นอันนี้คือพิงแบบพิงหลังนะพิงกับกาแพงบ้างพิงกับเสาบ้างอย่างเงี้ยนะคือหาความสบายที่เกิดจากการเอ็นหลังเอ็นกายนิดนึงพิงนิดนึงอย่างเงี้ยนะ ก็แค่น eh ี้เองประโยชน์แค่นี้ก็จ um> ึงไม่ให้พิงครับก็เป็นลักษณะนี้ซ um> allora yeah ึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดมากนะซึ่งธรรมะเนี่ยมีตั้งแต่ก็เรียกว่าเป็นสเปกตรัมนะเป็นคอนติเนียมของความละเอียดตั้งแต่หยาบไปละเอียดแล้วมันมีหมดเลยวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องความละเอียดอีกประเด็นหนึ่งนะคือเรื่องของสิ่งของพระศีลครับผมที่ว่าอย่างเช่นว่า มีหลายครั้งอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลนี้ก็มีอย่างพระที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับมาตุคามอย่างเงี้ยที่พุะเจาบอกอย่าเกี่ยวข้องแล้วใครจะกินข้าวอย่างไงใช่ไหมคนงานทาบุญส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงซึ่งเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วจะทํำยังไงให้ถูกต้องตามธรรมตรงนี้เรื่องละเอียดมากเลยหมอรัตพงศ์มีเยอะมากในสมัยพุทธกาลนะเรื่องในชาดกที่พระมาบวชภรรยาเก่าก็มาล่อลวง ยิ้มๆเข้ามาเอาอาหารมาถวายเสร็จแล้วก็ให้แกล้งให้เด็กมาทําแผลเนาะไอ้ตรงนี้มาเล่นซุกซนกันอ่ะให้ขึ้นไปข้างในในบ้านดีกว่าอ่ะในบ้านเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้เด็กมาเล่นซุกซนอ่ะขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนแล้วก็มีปัญหาตรงนี้มีใครมาทําอะไรตรงนี้อ่ะขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นบนมีงานก่อสร้างอ่ะขึ้นข้างบนอีกอย่างเงี้ยพระหนีมมไม่ได้เลยแต่สุดท้ายถูกภรรยาเก่าจับศึกอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีครับซึ่งในกรณีอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องละเอียดที่ว่าไอ้คนที่ยิ้มยิ้มเข้ามาเนี่ยนะอาจจะแฝงด้วยเลขกลอนก็มีครับอันนี้คือพูดถึงในสมัยพุทธกาลก็มีนะสมัยนี้ก็มีนะครับพวกจนเสื้อนอกอย่างเงี้ยนะครับหลงให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลงในกรรมคุณ์ก็จะเกิดขึ้นได้ทีนี้พอล่อรวงไปเรื่อยๆอย่างตัวอย่างในเรื่องในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยนะถ้า พระองค์นั้นเปื่อนท่านมีฤทธิ์ท่านก็เลยเหาะลงมาจากชั้นเจ็ดหนีออกไปได้<อ>นะส่วนพระที่ไม่มีฤทธิ์อย่างเงี้ยจะทํำยังไงแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรแตนะ่แต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะมีการขราหากันเกิดขึ้นบ<ก>นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าใครมีศีลนี่นะพุทธเจ้าบอกว่าโอยไม่ใช่เรื่องของคนปัญญาสามต้องเป็นคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้ แล้ไม่ใช่อยู่กันแป๊บๆเดียวจะรู้ได้ต้องอยู่กันมาเป็นเวลานานต้องใช้เวลานะต้องอยู่ร่วมกันจึงจะรู้ได้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีศีลหรือไม่ครับนเนแล้วก็ตราบใดที่ลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอยังไม่เกิดขึ้นกับภิกษุเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีออย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอย่างพระอย่างเงี้ยรับเงินก็ไม่ได้ยินดีเงินทอนที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้เน่ยสั่งซื้อขายไม่ได้แล้วถามว่าพระอยู่มีสิ่งก่อสร้าง มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะบันทึกเสียงเอามันทํำยังไงซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเส้นที่บางมากใช่ไหมเราก็ต้องมีพูดทําการแทนส่งไอ้คนนี้คือใครใช่มมันก็คือคนที่คนที่เราไว้ใจได้หรือว่าคนที่เราจะรักมอบหมายความไว้วางใจให้ได้คุณเป็นคนทําการแทนส่งแล้วคนอื่นเขาจะไว้ใจกับเราไหมก็ไม่รู้เราก็คงทําเท่าที่ทําได้แล้วทํำไงก็อยู่ไปตามมีตามได้ ใช่ไหมสมมติมีคนมาถวายปัจจัยเราอย่างเงี้ยถวายอปัจเจศอันควรแก่สมณะจรบริภคมูลค่าเท่านี้ถ้าเกิดอาตมายินดีในมูลค่าเงินตรงนี้นะโว้ยเรารีบสละเลยสละเลยสละอันนี้เราไม่ถูกต้องสละแล้วก็รีบไปปรงอาบัติซะอืเพราะเรายินดีในเงินทองที่เขาจะเก็บไปให้ครับอแต่ถ้าเไม่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สิ่งของที่มันจําเป็นต้องใช้แล้วก็ ให้วิยวชการเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองมันก็จะไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวกับพระครับออซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอีกว่าเออแล้วไม่เกี่ยวกับพระแล้วอาหารที่ท่านกินอยู่นะที่ที่ท่านนอนอยู่มันจะเป็นยังไงโอ้มันยากไง<ม>เป็นเรื่องละเอียดมากซึ่งถ้าคนหนาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเนะีคุยกันก็ไม่รู้เรื่องทําไมบางคนบอกว่าเออพระอยู่อย่างสันโดษเอาทําไมรับเงินบริจาคเป็นหลายๆ ล, ล้านก็มีอโอ้มันต้องอธิบายยาวใช่ไหม ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดซึ่งค น, น, นหนาๆก็จะไม่เข้าใจครับก็จะมองมองอีแบบหนึ่งมองในแง่แง่ร้ายอย่างนี้นครับก็มีอย่างีนะเพราะนั้นก็ต้องทาให้ถูกต้องตามธรรมะรซึ่งพรุทธเา ต, ตรงนี้เคยเปรียบเทียบกับฝูงเนื้อเนื้อทายที่สามารถหลุดลอดจากบ่วงของในพร า, านได้หลุดลอดจากบ่วงของของมารได้การมคุณตรงนี้ได้ครับ วันนั้นในวันนี้เราพูดถึงเรื่องละเอียดละเอียดในธรรมวินัยหลายเรื่องอยู่น้องวัดรถพงใช่ครับ <c oughs> ละเอียด <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็จะมีเ ร, เรื่องอะไรบ้างล่ะมีเรื่องของเรื่องของสรณ ะ, ะกับความยึดมั่นถือมั่นนะครับเรื่องของอการบูชาด้วยอารมิสและการบูชาด้วยนิรามิสนะครับครับก็การที่ความรู้สึกเกรียดชังเมื่อ ได้รับภาษาที่ไม่น่าพอใจอะไรทานองนี้ครับแล้วก็เรื่องของศีลการปฏิบัการเกลียดกลัวบาปการเกลียดกลัวการไม่ให้มีความขยักขยั่งเกลียดชังต่อการเปลี่ยนแปลงของกันทั้ง5อันนี้เรื่องตรงนี้นะครับการบูชาตะกี้พูดไปแล้วเนาะอามิตนิรามิตแล้วก็การปฏิบัติการปฏิบัติเรื่องของกามด้วยละเอียดละเอียดลงไปเรื่องของกรรมเรื่องของกาม เรื่องของศีลของพระก็เหมือนกันหรือว่าศีลอย่างเอาง่ายๆ่ศีลของคารวาสอย่างเงี้ยเรื่องแค่ไม่ฆ่าใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยบางคนที่หนาหนาหน่อยเขาก็จะบอกว่าไม่ฆ่ามนุษย์ก็แล้วกันไม่ฆ่ามนุษย์นี่หมายถึงว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่พวกเรานะมนุษย์พวกเราเนี่ยเราไม่ฆ่าไม่ใช่พวกเราเราฆ่าได้อย่างเงี้นะละเอียดขึ้นไปอีกก็จะไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันล่ะฆ่าแต่สัตว์ใหญ่กินแล้วกันวัวควายเราฆ่ามากินเนื้อ ละเอียด <แก S 1> ขึ้นมาอีกวัวควายก็ไม่ฆ่าฆนะ่าแต่สัตว์ที่มันจะทาอนันตรายเราอย่างเช่นเสือเช่นสิงโตละเอียดขึ้นมาหน่อยอีกนะสัตว์ที่มันทาอนันตรายเราก็อย่าไปยุ่งแล้วกันฆ่าสาัตว์เล็กๆก็แล้ว ก, ก, กันพวก<ด>ยุง<ด>พวกอะไรอย่างนี้เราตบเอา <แก S 2> ละเอียดขึ้นมาอีกนะพวกอย่างนั้นก็ไม่ทำนี่ก็เป็นความละเอียดของศีลที่เราเห็นได้ละเอียดลงไปอีกพวกอะไรที่เรา คือสัตว์พวกไมโครสอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปทำอะไรมั น, ค, นคือถ้าเห็นโทษต ร, ตรงนี้แล้วมันก็ต้องการจะออกจากสังสารวัตเท่านั้นแหละแต่เป็นความละเอียดจริงๆเลยนะครับท่านใช่มันละเอียดแล้วละเอียดอีกนะหมอรัตวงยังบุคคลที่บรรลุแล้วอย่างเงี้ยก็จะสามารถละเอียดแตกชั้นช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วไปได้ถ้าทาสีให้ดีอยู่ในเสนาชนะที่อยู่เป็นประจาที่อย่างนี้นะ ครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะหมอรทรงเกิดจากการที่เราได้หลีกเล่นปฏิบัติทั้งนั้นเลยเนี่ยจึงเห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้ก็ก็มีมากครับนับเป็นภูมิปัญญาลึกซึ้งนะครับท่านของพระพุทธเจ้านี่แหละครับผมครับครับก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าคำแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งมาที่เพ e ยว h ร m มะ c o m ได้นะครับใช่แล้วเราก็จะมาคุยกันให้ฟังในตอนที่สี่ตอนนี้ก็คิดว่าจบลงเท่านี้ ครับสมควรแก่เวลาครับครับกรบ<ช>าบทศการขอบพระคุณพร ะ, พระพอาจารย์ภัยบูลอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครั บ, บสวัสดีครับ